ว่ในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มต้นจุดไหนเรียบเรียงความรู้สึกของตอนเองอย่างไรมันถึงจะเป็นขบวนการไปสู่การปฏิบัติต่อเนื่องเลยทั้งวันคือไม่สเปสะปาเราจะได้ต่อเนื่องกันมาดังนั้นในตัวปฏิบัตินั้นในหลักวิธีการของพุทเทียนก็ใช้การมาสังเกตนะ สังเกตกายกับใจรูปกับนามคือมันไม่มีคําว่าลึกตื้นต้นปลายท่ามกลางอะไรมันจะเป็นขบวนการอันเดียวกันเหมือนเรารับมีดเนี่ยเราก็สังเกตดูว่าเราจะรับทางปลายก่อนลับทางต้นก่อนรับตรงกลางก่อน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 ต้องละแล้วการกดับทุกนี้ต้องทําถ้าคนไหนเห็นอย่างเนี้ตรงนั้นคนนั้นมีที่พึ่งเกระแส ม, มีที่พึ่งในสูงสุดแต่ทําไมชาวพุทธให้ความสําคัญเรื่องนี้น้อยเหลือเกินเพราะเราศึกษากันมาอย่างผิดผิดเราก็ไม่มีใครยอมเราไปศึกษาผิดแต่ฉันถูกทั้งนั้นแหละนะอันนี้แหละมันถึงยากฮะดังนั้นก็ในแง่ของวิธีการหลวงพ่เทียนจะมาเจาะจุดนี้ให้ชัดแล้วเอาไปทํา